น้ำฝาดโมกมันน้ำฝาดขี้กาน้ำฝาดบรเพชรน้ำฝาดกระถินพิมานหรือน้ำฝาดที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเคนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพเมื่อมีเหตุจําเป็นภิกษุกจึงฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจําเป็น ภิกษุฉันต้องอาบัตทุกกฏ